สำรวมใจของตนให้ดีเวลานี้เรามามุ่งหวังความสงบไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเมื่อเรามุ่งความสงบ ก, ก็ต้องให้ตั้งสติสำรวมใจลงจริงๆอย่าทำเล่น งานอันใดมันเจยากเข้ า, างานงานฝึกขนจิตไม่มีในโลกนี้นะงานฝึกขนจิตมันยากก็จริงแต่เมื่อฝึกขนได้แล้วมันพ้นทุกมันมีความสุขมากงานอย่างอื่น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 กลัวมันจะไม่พอใช้กลัวโจรขโมยมาจี้มาป้นเอากลัวเขาจะมาจับไปเรียกค่าไทยก็พอกันนั่นแหละการงานในโลกเวลาเสวงหาเวลาทำอยู่ก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็เป็นทุกข์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 กายเราตัวเราอย่างนี้นะผมเราขนเราเล็บเราฟันเราหนังเราอะไรโวเนียก็ไปยึดถือของไม่เที่ยงเวลาสิ่งเหล่านี้มันแปรปรวนไปมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละความเป็นผู้ที่ไม่ฝึ ก, กจิตไม่หัดให้ปล่อยให้วาง มันก็มีแต่ทุกข์ที่นี้กรงกข้ามเราฝึกนั่งสมาธิภาวนาไม่เห็นแก่ความเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่เห็นแก่ความเจ็บปวดถ้าไม่เหลือวิสัยจริงจริงก็ไม่หยุดทำความเพียรเพ่งพินิษเข้าไปภายใน ไม่ส่งใจออกไปข้างนอกใอ้ทาความเพียรอย่างนี้มันก็ลําบากไม่ใช่หรือมันกันแหละแต่เราก็ต้องสู้อดทนเพราะแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยอดทนต่ออํานาจของกิเลสตัณหานี่เลยขอตัณหามันจูงให้อยากได้อะไรก็ สเสแวงหาตามที่มันต้องการก็หมายความว่าตกเป็นท่าของตัณหาละคนเรานี่นะแต่อย่างนั้นเ ม, ามานื่อบรรนี้ผู้ที่มาเห็นโทษแห่งตัณหาคือความอยากอันไม่มีขอบเขตนี่แล้วก็มาพยายามฝึกจิตนี่สะกดจิตนี่ลงไว้ให้มันส ง, งบนิ่งลงไป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 เพราะว่ามาอาศัยของไม่เที่ยงนี้จะมาให้มันเป็นทุกยังไงเล่าเนีอย่างหนึง่งเมื่อจิตนี้ไม่ได้รับการอบรมปัญญาไม่เกิดตกเป็นทาตแห่งตัณหาตัณหามันกระจุงให้ไปทำบาปกรรมความชั่วใส่ตัวอันนั้นยิงทุกข์หนักเข้าไปอีก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 มาใช้สอยสมความปรารถนาะความทุกข์ใจประการที่สองได้แก่ความไม่รู้เท่าขันห้าตามเป็นจริงเมื่อขันห้านี้วิปัสตร์ลงก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอยากให้มันหายอืมเมื่อมันไม่หายตามประสงค์ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนใจ นี่แหละความทุกข์ใจนะถ้าย่นย่ อ, อเข้ามาแล้วมันก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละอย่างแรกนั่นเรียกว่าการแสวงหาก็เป็นทุกข์อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อได้มาแล้วมารักษาก็เป็นทุกข์เพราะของไม่เที่ยงนี่เมื่อไม่รักษามันก็หายมันกระเสื่อมไปอย่างนี้นะเห็ุนล้วจึงว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละ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 เอามาทำเป็นเงินเนะ่กลัวว่าเงินนี่มันจะศูญจะหายาใช้ใจ่ายก็ไม่ใช้ใจ่ายหาเอามาใช้เอาเองส่วนที่มีอยู่แล้วนะเอาใส่หายปิดผนึกดีๆแล้วก็ขุดหลุมฝังไว้เมื่อฝังไว้แล้วไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเลย แม้แต่ลูกเมียก็ไม่รู้อย่างนี้นะจิตใจมันก็ผูกพันอยู่นั่นแหละกลัวว่าเขาจะมาลักมาขุดมาค้นเอาเมื่อเป็นเช่นนี้เนะี่ยเวลาตายลงไปเนะี่ยมันก็ใจมันก็ไปผูกพันอยู่กับหลุมฝังทรัพย์นั่นแหละฝังเงินนั่นแหละมันก็ไปเกิดเป็นงูเป็นหนู เป็นตุกแก้อะไรเฝ้าอยู่หัน่นจะเอาไปใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้เพียงแื่เฝ้าไม่้คนมาเอาไปเท่านั้นเองนี่ทุกไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งเอากระดูกแนขนคอตองตีแต่งคนมามันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเน่ะ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกจิตนี้ให้เข้าถึงความส ง, งบอย่าให้จิตนี้มันเลื่อนลอยมันจะไปเที่ยวเกาะเที่ยวคล้องอะไรต่ออะไรในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วมันจะพ้นทุกไปไม่ได้โง่เวียนห่วงใยอะไรสมบัติเข้าของเงินทองอยู่ น, นั่นแหละหน้าโทุเรศหลายนะ่ะ ม, มีแต่ห่วง เอาไปใช้ไปจ่ายเมืองผีก็ไม่ได้เงินนี่นะมีแต่ห่วงแต่ห่วงมาเฉยๆไม่เหมือนเป็นมนุษย์ตนเป็นมนุษย์มีเงินมีทองเงี้ยเอาไปใช้จ่ายได้แต่ไปเป็นผีไปแล้วนะ่ะมันเอาไปใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะเมืองผีไม่มีการค้าขายอะไรมีแต่สวยวิบากกรรมอยู่เฉยๆ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 เพราะว่าจิตนี่มันหลงอยู่กับธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มานับชาติไม่ทัวนแล้วมันถึงได้มาเกิดอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้ามันรู้แจ้งแ้ะมันไม่ถือมั่นแล้วมันก็เข้าสู่นิพพานเท่านั้นไม่ต้องมาเกิดทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้อีก เขาไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารในโลกอันนี้ตายแล้วก็อเอาติดตัวไปไม่ได้แต่เวลายังมีชีวิตอยู่ต้องดิน้นรนเสวงหาแสนยากแสนลำบากกำผลทนดดแดดแล้วบางทีก็มีศัตรูมาคอยขัดขวาง ทำให้การสเสงหาทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่สะดวกบางรายก็ถูกเขาฆ่าตายไม่ทันได้ใช้สอยบริโภคสมบัติอ น, นั้นเท่าไรนักอันมูนี้นะควรควรคิดควรพิจารณาเราเบญนชาวพุทธนะบางคนก็อาจจะว่าเอา้า ถ้าไม่ให้ห่วงสิทธิทรัพย์สินเงินทองอย่างว่านั้นแล้วจะต้องให้ขนเอาไปทิ้งลงในน้ําเหรืออไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ่ายอะไรอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเราเป็นดต่เพียงว่าทําความรู้เท่าตามเพศตามภูมิของตอนผู้เป็นรคระหังหัดคลองเรือน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 หรือมิฉะนั้นก็ช่วยกำจัดกิเลสบาปรธรรมให้ออกไปจากจิตใจนี้มันมีคุณภาพต่างกันดังกล่าวมานี่แหละซับภายนอกกับซับภายในซับภายนอกนั้นเมื่อเรารู้เท่าแล้วเราใช้ใจ่ายมันไป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 น เ, นเมื่อฉลาดแล้วมันก็ไม่กาะไม่ค้องมีเหมือนไม่มีเลยมีเงินมีทองเข้าของอะไรเราผู้ฉลาดก็ต้องให้ถือว่าเป็นสมบัติของโลกหาได้อยู่กับโลกนี้ก็ใช้อยู่กับโลกนี้เมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่ใช่เอาติดตัวไปได้แต่ก็ซ้อนใจของตอนเข้าอย่างนี้ ใจมันก็ไม่คล่องอยู่ในสมบัติภายนอกอันนั้นคลองกับคล้องทั่วคราวคล่องเวลาหาเวลาใช้เวลาใจ ừ, เมื่อเมื่อไม่มีธุระเจะใช้ใจแล้วก็ไม่ต้องไปผูกพันกับมันอันนี้เป็นผู้ฉลาด ừ, เหมือนอย่าง อนาถาวินดีกามาเศรษฐีก็ดีหรือวนาวิสาขาก็ดีหรือเศรษฐีอื่นๆในขัง้งพุทธการท่านเหล่านั้นเป็นผู้รู้ธรรมของจริงแล้วแล้วท่านยังมีเงินจนได้นามว่ามหาเศรษฐีแล้วนะไว้มีเงินมากมาย ก, กายกองแต่เมื่อท่านละโลกนี้ไปแล้วท่านก็ไปบรนเทิงอยู่สวรรค์นุ่น หาได้คลองอยู่ในกองสมบัติอันนั้นไหมนั่นแหละท่านผู้มีปัญญานะท่านรู้เท่าเวลายังมีชีวิตยอยู่นี่ก็ใช้สอยมันทำบุญให้ทานสงเคราะห์คนยากคนจนบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเสริบต่อไป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 ให้ได้สมบัติภายในเคอบุญกุศลสําหรับบุคคลผู้ฉลาดนะผูร้รู้จักใจรู้จักใจมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะเน่ะขาให้พากันฉลาดเราเป็นชาวพุทธอย่าไปซื้อไปสนาเดียวอันนี้ก็ของเราอันนี้ก็ของเรากายกับของเรา เงินทองเข้าของอะไรภายนอกกับของเราอย่างนี้นะมันไม่สมควรใ้สมมติที่ว่าการภายนอกนี่กล่ากันไปแต่ภายในนั่นนะอย่าให้มันสาคัญว่าเป็นของเราหมายความว่าอย่างนั้นใ้โวหารที่พูดกันนี่อันนั้นของเราอันนี้ของเราอย่างนี้มันมันเป็นธรรมดาอันนี้นะ แต่ว่าภายในใจน้นหักไม่ถือว่าเป็นของเรานี่มันต้องมีอุบายพิกแพงอย่างนี้อย่าไปกรงไปกรงมาตลอดเลยไม่ได้ต้องมีไหวพลิบเกี่ยวกับหมูนี้นะไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกับความหลงมันเป็นเหตุให้เกิดความหลงความเมาในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ก็พ้นทุกข์นภัยในสงสารนี้ไปไม่ได้บางคนก็อยากได้ทรัพย์สมบัติหลายหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วพอหาเอาในทางทุจริตช่อเอาโกงเอาหลอกลวงเอาจี้ปล้นเอาโม น, นี้นะมันล้วนตั้งแต่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 ไม่ให้กลัวต่อนอรกเลยนี่แหละโทษของตัณหาโทษของอวิชชาความไม่รู้นะมันทําให้จิตใจนั้นตกต่ําลงไปยอมทุกอย่างเลยจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ตามยอมไปทั้งนั้นเลยนุ่นบุคคลผู้ไม่ยอมเป็นทาตแห่งตัณหาความอยากันนั้นเพื่อนก็อยากอยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรม หาเงินหนาทองทําการทํางานก็นึกถึงสินนึกถึงทำเป็นที่ตัง้งถ้าผิดสินผิดธรรมแล้วเป็นอันไม่เอาเลยไม่ทําแล้วมันจะเมื่อเราทํามาหาเลี้ยงชีพโดยชอบสินชอบธรรมมันจะได้น้อยกว่าตามมันมันจะได้มากก็แล้วแต่เราจะ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 ในความอยากที่มันพาไปสู่นรกอบายภูมิก็ความอยากที่มันมากมายท่วมท้นจิตใจแล้วมันให้ล่วงศีลล่วงธรรมนั่นสินั้นแหละความอยากประเภทนั้นแหละมันพาไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัตดิเรกฉานทั้งหลายต้องกําจัดความอยากประเภทนั้นก่อนจักเป็นภิกษุสามเณร ก็ไปหลอกลวงชาวบ้านเขาเรี่งชีพไปหลอกลวงชาวบ้านเขาให้ได้ลาบสักการะได้ปัจจัยเครื่องอาัยมาใช้สอยให้มากมากนั่นมันก็ผิดศีลแล้วผิดวินัยแล้วดังนั้นะ่ะจึงไม่ควรเลยเพราะได้มาแล้วเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้อย่างที่ว่ามานันเนี่ย อาหารการบริโภคก็มีมันก็มีจำกัดกับกระเพาะเมื่อเราปรทานเข้าไปแล้วมันเต็มกระเพาะแล้วมันก็เลี้ยวไปในมือนั้นน่ะมันก็เลี้ยวไปไม่ใช่ว่ามีอาหารมากมากจะกินเอาซะจนว่าหมดมีอะไรก็กินหมดได้ไม่มีทาง เพราะว่ากระเพาะมันจำกัดมันต้องพิจารณาให้ละเอียดแล้วอลงไปเรื่องโมนีนะ่ะมันถึงไม่ไปทำบาปคนเรานะ่ะจึงยับยั้งตัณหาได้ไ <c oughs> อคนที่เขาไม่ทำบาปก็มีอายุมีชีวิตอยู่เหมือนกัน แล้วก็ได้กินอาหารดีๆเหมือนกันพกคนมีปัญญาเนะ่ะเขาก็ไม่ไปหาในทางที่เป็นบาปหาเงินทองเข้าของอะไรเขาก็ไปหาในทางที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่นมันมีอยู่การงานที่มันปัดเสีจากโทษในโลกนี้เนะี่ยมีอยู่ถ้าหากว่าใจเป็นกุศลแล้วอย่างนี้นะ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 ไม่ใช่ว่าตายแล้วมันศูนย์อย่างคนบางในพวกที่เห็นกันมาตั้งแต่ครัง้งพุทธกาลจนถึงวัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นนี่ตายแล้วไม่ได้ศูนย์จะศูนย์เมื่อไหนกระดูกก็ยังเห็นอยู่ น, นันี้เป็นสถีพยานอยู่ต่างแต่ว่าธาตุสี่ขันธนั่นี่มันไม่ฟองรองสมุทรีกันมันหมดเหตุปัจจัย คือหมดบุญแล้วพูดง่ายๆนะเพราะรูปร่างนี่ก็ทรงอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องรักษาดังนั้นนะอย่าไปเข้าใจว่าตายแล้วมันสู์ส่วนจิตใจนันก็ไม่สูน์นะ